เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาที่3กันยายนพุทธศาาักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาทำบุญมาละบา มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะในพระปัจฉิมโอวาทคือคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจา้าจะสนงจากพวกเราไป ได้ทรงตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอนี่คือคำสอนครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนสติให้แก่พุทธบริษัทให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท คือให้เจริญให้เราเลึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้โดยเฉพาะร่างกายของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีเวลามีโอกาสที่จะหมดไปได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆพิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเวลาของเราในโลกนี้นั้นไม่ยาวนานมีวันหมดสิ้นไปเราควรที่จะคิดถึงเวลาที่หลังจากที่เราตายไปแล้วว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีความเชื่อ ในคำสอนของพอพระพุทธเจ้าเราก็จะเชื่อว่าเราร่างกายเราตายไปแล้วแต่ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราต้องไปเกิดใหม่เราจะไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีไปเกิดสูงหรือเกิดต่ำก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทําใน ในปัจจุบันนี้ถ้าเรารู้ว่าเวลาของเราไม่แน่นอนเราก็ต้องไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาปเพราะว่าผลของบุญและบาสนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดไปกับเราได้ แต่สิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราบู่มาสะสมมาสร้างสมบัติ ที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้เวลาตายไปเราก็จะไปตัวเปล่าๆไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยแต่ถ้าเราเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วเวลาที่มีเวลาว่างเช่นวันนี้เป็นวันหยุดทำงานแทนที่เราจะไปหาความสุขที่ ไม่จีรังถาวรคือความสุขทางตาหูจมูกงิ้นกายเราก็มาหาความสุขที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้วนอกจากเป็นความสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นอาหารเป็นสเบียงที่จะทำให้เราไปเกิด ในที่ดีที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราจเจริญมรณานุสติคือความไม่เที่ยงของร่างกายเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงหลืมปกติถ้าเราทำอะไรต่างๆ เช่นทำมาหากินทำอะไรคือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะลืมไปลืมคิดไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปสักวันหนึ่งเมื่อเราลืมเราก็จะไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพอเกิดเหตุการณ์ ขึ้นมาเราก็จะต้องทุกทรมานใจเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้เองแต่ถ้าเราได้ระลึกอยู่เรื่อยๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราระลึกพอถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจของเราก็จะไม่หวั่นไหว ไม่ตกใจเพราะใจของเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพียงแต่ว่าไม่พร้อมที่จะรับกับความจริงของร่างกายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองแต่พอใจเราได้รับการสอนได้รับการเตือนสติตให้ระลึกรู้อยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา ใจของเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ทุกข์ทรมานใจไม่เสียหลับสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสอนให้เรารำลึกอยู่ทุกวันทุกเวลามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือให้เรารำลึกว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ไม่มีใครนั้งแต่พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงขอทานเป็นเหมือนกันหมดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย จะต้องพัดพาจากสิ่งที่รักที่ชอบไปกันหมดเหมือนกันหมดจะต่างกันก็อยู่ที่ว่าจะผ่านไปด้วยความสบายใจด้วยความสุขใจหรือจะผ่านไปด้วยความทุกข์ทรมารใจอยู่ที่การสอนใจถ้าสอนใจอยู่เรื่อยใจจะรู้จักปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่จะต้องจากกันพอไม่ยึดไม่ติดแล้วเวลาเกิดการพัดพลาดจากกัน<ม>ก็จะไม่รู้สึกอะไรเหมือนวันนี่ยากโยมก็มาทําการพัดพลาดจากของรักของชอบก็คือเงินทองของยากโยมมันนี่ยากโยมได้นําเอาเงินทอง มาซื้อข้าวของจะถูกปัจจัยไตยธรรมอาหารขาาร้าวหวานและบริจาคเงินทองส่วนหนึ่งให้กับวัดเป็นการพัดภาคจากของรักของชอบของเราแต่แทนที่เราจะมีความทุกข์ใจเรากับมีความสุขใจ เพราะเราพร้อมยินดีที่จะพรากจากเงินทองก้อนนี้ไปนี่คือการปล่อยวางของใจนี้เองปล่อยวางด้วยการให้ทานการให้ทานนี้เป็นการเสียสละหรือตัดความผูกพันในทรัพย์ สมบัตข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่นี้ที่มีเกินความจำเป็นที่เราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยเงินทองก้อนนี้เราก็เอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้อื่นที่ต้องการอาศัยเงินทองส่วนนี้แทนที่เราจะเสีย อ, อกเสียใจเรากลับมีความสุขใจ เรากลับได้บุญแทนที่จะได้ความทุกข์เรากลับได้ความสุขเพราะว่าเรายินดีเราปล่อยวางเราไม่ยึดติดในเงินทองก้อนนี้นั่นเองฉันใดสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราจะต้องสูญเสียไปเมื่อถึงเวลาของเขาไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักด์ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายสักวันหนึ่งก็จะต้องถึงเวลาที่จะต้องทัดทากจากกันถ้าเรายินดีเราเพ้อเราจะไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ทรมานใจเพราะเรา สอนใจให้ปล่อยวางอยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝึกซ้อมไปด้วยเช่นในวันพระแทนที่เราจะมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ละความสุขแบบนี้ไปหนึ่งวันแทนที่จะออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูหนังฟังเพลงไ รับประทานอาหารไปดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆวันนั้นเราก็จะเก็บตัวอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านแล้วก็สละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหนึ่งวันแล้วก็หาความสุข ที่มีอยู่ภายในใจของเราคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจด้วยการภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมการกระทหแบบนี้จะทำให้จิตใจของเราสงบแล้วก็จะมีความสุขทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ ไม่ได้ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปรับประทานไปดื่นแต่ใจของเราก็สามารถมีความสุขได้และมีความสุขยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำไปเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้มีน้ำหนักมีพลังมากกว่าความสุข ที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนีและเป็นเหตุที่ทำให้นักบวชทั้งหลายสามารถอยู่เป็นนักบวชได้ เพราะท่านมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่กาลาวาดญากโยงมีกันความสุขของกาลาวาดญาติยงนี้เป็นความสุขเหมือนเหมือนควันไฟพอได้เสกได้สัมผัสแล้วก็จะจางหายไปเหมือนกับเวลาเราได้ดูได้ฟังได้ทำอะไรที่เราชอบใจมีความสุขพอทําเสร็จผ่านไปแล้ว มันก็หายไปหมดเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความรู้สึกอยากจะหาความสุขแบบนี้อีกเนะี่ยเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการทำจิตใจของเราให้สงบเพราะจะอยู่ติดใจกับเราไปตลอดเวลาตราบใดที่เรา ไม่ไปสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาใจของเราก็จะสงบมีความสุขไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการสร้างความที่เกิดจากความสงบของใจมากกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องชรลาภาพลงไป ตาหูจมูกนิ้นกายก็จะไม่สามารถแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะต่างๆได้เหมือนกับที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบันนี้ต่อไปข้างหน้าเวลาแก่ชร า, าหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไปเราจะทุกข์ทรมานใจมากถ้าเราไม่มีความสุข ที่เราเคยได้แต่ถ้าเรามาทำความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาเราไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งภายนอกได้เราก็ยังมีความสุขทดแทนที่ดีกว่าคือการทำใจให้สงบดังนั้นในวันพระ เราจึงควรถือสิงแปดกันเพื่อที่เป็นการซ้อมสร้างความสุขที่ดีกว่าที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อเวลาที่เราแก่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราไม่มีความสุขภายในใจเวลาเราไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ใจของเราจะทุกข์ทรมานใจเพราะความอยากที่ติดมาเป็นนิสัยนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรดนี้มันเป็นตัวผลักดันให้เราต้องออกไปหาความสุข ทางตาหูจนูกริ่นกายยังไม่รู้จักหยุดจากย่อมไม่รู้จักอิ่มจากพอได้มาเท่าไหร่ได้เที่ยวเท่าไหร่ได้ดื่มได้รับประทานได้ดูได้ฟังเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเพราะนี่เป็นธรรมชาติของความสุขแบบนี้จะไม่ให้ความอิ่มความพอกับเรา อย่างนั้นเราก็จะต้องแสวงหาดิ้นวนหาความสุขแบบนี้ไปจนวันตายไปจนถึงวันที่เราไม่สามารถหาได้พอถึงเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมีความเศร้าส้อยหมอยเหงาเพราะเราจะต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกบ้าน ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขายังไม่แก่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราได้รักษาศีลแปดเป็นประจำทุกวันพระได้ฝึกทำภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆตามความสามารถของเราบางครั้งบางทีในเบื้องต้นเราอาจจะไม่สามารถนั่งหลับตา แล้วบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปได้ท่านก็สอนให้เราสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปแต่ต้องสวดแบบมีสติคืออย่าให้ใจเราไปคิดเรื่องต่างๆในขณะที่เราสวดให้ใจเรารู้อยู่กับการสวดมนต์อย่างเดียวแล้วใจของเราจะเย็นจะสบาย <c oughs> เวลาจะรู้สึกว่าผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเราสวดมนต์ไม่เป็นแล้วเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆเราจะรู้สึกว่าเวลานี้ผ่านไปช้าเหลือเกินเพราะว่าใจเราไม่มีอะไรให้ทำนั่นเองเราต้องหางานที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ให้ความสุขกับใจนี้ทำอยู่เรื่อยๆเพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูนาฬิกาดูเวลา รอให้เวลามันผ่านไปใจของเราจะมีความสุขกับการทำงานคือสร้างความสุขภายในใจเช่นการสวดมนต์หรือการฟังเทศฟังธรรมก็จะช่วยทำใจของเราให้สงบได้ถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนเหมือนกับที่ญาติโยมกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ เวลาฟังก็ขอให้มีสติตั้งใจฟังอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับการฟังแล้วจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเฉวีจะเกิดความสุขเกิดความสงบใจขึ้นมาพอเราฟังไปได้ระยะหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะหยุดอยากจะทำใจให้นิ่งให้ว่าง เราก็หยุดฟังแล้วเราก็มานั่งดูลมหายใจต่อลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ใจก็จะขยับเข้าสู่ความสงบมาขึ้นไปตามลําดับจนสงบได้เต็มที่เลยแล้วเราจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบและนาเอามาสั่งสอนให้พวกเรา แล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่มีคุณประโยชน์ที่ให้ความสุขกับเราเท่ากับความสงบของใจของเรานี้เราหลังจะต่อจากนั้นไปเราจะไม่สนใจกับเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะไม่สนใจกับการหาราบเรงสรรเสริญเพราะสิ่งเหล่านี้นั้น มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอให้ความสุขเหมือนกับที่เราได้จากการทำใจให้สงบ น, นี่เป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าสามารถเสด็จออกทรงผนวดได้สามารถสะละราชสมบัติสามารถสละปราสาทสามฤดูสามารถสละความสุขทางตาหูจมูกิืนกายไปได้ แล้วก็สามารถทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรณะของสัตว์โลกมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าทรงได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เองและทรงขวนขวาย ทรงปฏิบัติด้วยความไม่ประมาททรงระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้พระองค์ไม่สนใจที่จะไปสะแสวงหาลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายแต่สนใจที่จะหาความสุข ความที่เกิดจากความสงบของใจทรงเล่งความเพียงอยู่ถึงหกปีด้วยกันจนได้พบกับความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานังปรามังสุ ข, ขังนี่คือความสุขของพระนิพพานพระนิพานพานคืออะไรพระนิพพาก็คือจิตที่ได้รับการชำระจนสะอาดบริสุทธ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราไม่สงบทำให้จิตใจของเราว่าหุ่นขุ่นมัวหิวกระหายอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เราเรียกว่ากิเลสตัณหานี่เองแต่หลังจากที่ได้ชำระ กิเล e ตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความหิวความอยากความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปจะมีแต่ความอิ่มมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจะไม่มีความวิตกกังวลกับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะตายไปก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรเพราะใจไม่ได้ยึดร่างกายเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วใจมีสารณะมีที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนี่เองที่เป็นธรรมสารณนังกัจฉามิของพวกเรานี่แหละคือสารณะที่พวกเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้คือการ ความสงบสุขของใจด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ทำอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. ให้ทำบุญ 2. ให้ละบาป 3. ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา แล้วจิตใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บไข้ได้ป่วยมาตายมาพัดพลาคจากการอีกต่อไปถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความไม่ประมาทคือทำอย่างต่อเนื่องทุกเวลาที่เรา ว่างจากภารกิจอย่างอื่นเราจะไม่เอาเวลานี้ไปหาความสุขทางตางหูจมูกดิ้นกายซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงแต่เป็นกับดักของความทุกข์เพราะเมื่อเราหาความสุขแบบนี้เวลาไม่ได้เสกไม่ได้สัมผัสใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ นี่คือคำสอนที่พระเจ้าทรงฝากไว้ให้พวกเราก่อนที่จะทรงจากพวกเราไปก็คือสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดคือให้ระลึกอยู่เรื่อยเพื่อเราจะได้ไม่หลงหลืมและเราก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตา ทำหน้าที่สร้างที่พึ่งสร้างสารณะที่แท้จริงให้แก่พวกเราถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราก็จะสามารถบรรลุถึงสารณะที่พึ่งอันสูงสุดนี้ได้ภายในชาตินี้เลยดังพระเช่นพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้บรรลุถึงกันท่านไม่ต้องรอให้ตายไปก่อน ถ้าไม่ต้องรอให้ต้องบำเพ็ญบุญบารมีเป็นหลายกับหลายกันด้วยกันเพราะตอนนี้สามารถบำเพ็ญได้ในชาตินี้เลยเพราะมีพระพุทธเจ้ามาทรงชี้บอกทางแล้วไม่เหมือนกับสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสมัยนั้นจะต้องบำเพ็ญไปหลายกับหลายกันด้วยกัน เพราะไม่รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนั่นเองแต่สมัยนี้สมัยที่มีพระพุทธศาสนาเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรมีเพียงสามข้อนี้เท่านั้นเองคือให้ทำบุญละบาปแล้วก็ชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญา ใจของเราก็จะสะอาดได้จะสิ้นสุดไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้นี่คือเรื่องของพวกเราหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องทำกันพระพุทธเจ้าทำให้เราไม่ได้พระอริยสงฆ์สาวกทำให้เราไม่ได้เราต้องทำเราต้องเป็นที่พึ่งของเราอัตตาหิตอะตโนนาโถ เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุษได้ปฏิบัติมาถ้าเราปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุษได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้